ทรงปรารบภิกษุณีจันดกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดกาลีสาบแช่งตนเองบ้างผู้อื่นบ้างด้วยนรกบ้างด้วยพรหมจันทร์บ้างในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ